อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่13สตุติกยน2554นะคะเป็นวันแรม3ามข้ามเดือน12ยังเป็นปีเถาะอยู่นะคะถ้าเผื่อเป็นวันอาทิตย์ที่26แล้วเราก็จะขึ้นปีมะโรงกันแล้วล่ะคะ่ะก็เรียกว่าเปลี่ยนปีนักษัตว์กันไปแล้วนะคะ ค่ะชาวันนี้เหมือนเช่นเคยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กราบอนมนตพระอาจารย์ภิยบูรอภิปุณโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสกิปภากกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มาเป็นช่วงของการสากักษาคือพูดคุย สนทนาธรรมะที่จะเป็นประโยชน์เป็นแง่เคลียแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มสักการณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้มสักการเจ้าค่ะพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะเชิญพรสาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้โยมคิดว่าเราคงจ ะ, ะนําคําถามที่คุณผู้ใช้นามว่าคุณชโชติกา<อ>จากกรุงเทพมหานครได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ เปลี่ยวธรรมะคอมดีไหเจ้าคะเพราะว่าถามมาได้น่าสนใจเลยนะเจ้าคะยมขออนุญาตพระอาจารย์และท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะได้อ่านอาอสิ่งที่คุณชดิการได้เขียนมานะเจ้าคะ uh huh. ก็บอกว่ากราบน้มสักการพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอัคติถ้าเรามีอคติในใจฝังอยู่ในฐานการรับรู้หมายถึงอัคติในใจที่ฝังอยู่ในฐานการรับรู้ ยกตัวอย่างเช่นไม่ชอบคนกลุ่มสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอามาดไพร่คนรวยคนจนเมื่อคนกลุ่มเหล่านั้นกระทำการใดๆที่เราคิดว่าไม่น่าชื่นชมแล้วเราก็ตัดสินใจหรือว่าตัดสินเขาในใจไปเรียบร้อยก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาบางทีก็ไม่จริงจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้เราลดละเลิกอคติจากใจได้บางครั้ง มันหลบซ่อนละเอียดอ่อนจนตามแทบไม่ทันจะเผอให้มันออกมาในรูปของกายกรรมวิธีกรรมอย่างนี้ถ้าเผื่อไม่วิเคราะห์ดีๆก็จะไม่รู้ว่าที่เราพูดหรือทำแบบนั้นเพราะเรามีอคติฝังลึกอยู่เราควรจะคิดซะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติไม่มีสีใดๆคำพูดการกระทำใดๆที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ของเรานั้นเป็นเพียงสิ่งสมมุติ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราก็ดูมันไปเฉยแต่ไม่ต้องเอาใจของตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณโชติกาถามมานะเจ้าคะแล้วก็ปิดท้ายว่าในกรณีที่การกระทำของคนกลุ่มหนึ่งจะมีผลต่อความสุขสมบูรณ์ของคนในส่วนรวมกรณีที่เรารู้ว่าเขากำลังเออรับชั่นหรือทาประโยชน์เข้าตัวเองมากกว่าเพื่อส่วนรวม เราก็ควรจะเอาอาคติออกก่อนแล้วก็ใช้พรมวิหารสี่สุดท้ายเราก็อุเบกขาทําอะไรไปมไม่เกิดผลก็ปล่อยให้เป็นบุญกรรมของส่วนรวมอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคําถามที่คุณโชติกาถามในคําถามของคุณโชติกานี้ก็จะมีอยู่4ี่สามสี่ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของคำว่าอคติ อ, ค, อคติเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราธรรมดาก็แปลว่าลําเอียงนั่นแหละ น้ำลำเอียงเนี่ยที่พระเจ้าสอนไว้ก็จะมีอยู่4ีลักษณะคือลำเอียงเพราะรักคือโลภน้ำลำเอียงเพราะโกรธคือโทสะลำเอียงเพราะกลัวแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงมีอยู่ทั้งหมดสี่อย่างลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงที่เขาบอกว่าอย่างกรณีงคุณชติกาเนี่ยก็ไม่ชอบกลุ่มสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้าเงินอํามัดไพร์คนจนคนรวยสลิมอะไรต่างๆไม่ชอบใช่ไหมพอพวกนั้นทําอะไรไม่ดีปุ๊บ เราก็คือลำเอียงพระโกรธละ่ะเรารำเอียงฝ่ายนู้นเพราะเราโกรธฝ่ายนี้นะียังจะมีแบบอื่นอีกอย่างบุคคลที่บางคนเนี่ยตัดสินใจไปเข้าฝ่ายนี้เพราะรักคนนี้ก็มีหรือบางคนกลัวกลัวว่าเขาจะมาทําอะไรเราจึงเข้าอีกฝ่ายหนึ่งกลัวว่าเขาจะไปทไาํ า, อ, อ, า, วว า, าะทอะไรสถาบันเราจึงเข้ากับฝ่ายนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงมีการลำเอียงเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็อย่างที่ เจ้าของคำถามเขาว่านั่นแหละว่ามันละเอียดจริงๆอย่างบางทีเราเข้าข้างฝ่ายนี้เพราะว่าเรารักอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความลําเอียงตรงนี้บางทีมันหลบซ่อนละเอียดอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไหลไปตามความลําเอียงเหล่านี้นะคือลําเอียงเนี่ยไม่ดีแน่นอนการมีอคติไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆนะไม่ดีแน่นอนอย่าง บางคนอาจจะถามว่าอย่างเช่นถ้างั้นฉันรักลูกของฉันมากกว่ารักลูกลูกของคนอื่นอย่างเงี้ยเรียกว่าลำเอียงไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าลำเอียงเนี่ยมันมีความหมายมีแฝงด้วยนะคุณเตือนใจในกรณีที่ว่าคนที่ลำเอียงเนี่ยจะมีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามธรรมอยู่หมายความว่าเขาจะพูดโกหกจะพูดสอดเสียจะพูดเพ้อเจ้อจะฆ่าได้จะด่าได้จะรักได้จะประพฤติผิดในสิ่งต่างๆได้ ด้วยความลําเอียงตรงนี้แต่ถ้าเรารักลูกของเรามากกว่ารักลูกของคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าลําเอียงนะมันแน่นอนว่าแม่เนี่ยยอมรักลูกในที่เกิดจากคันตัวเองเนี่ยถึงขนาดว่ายอมสละชีวิตของตัวเองให้ได้อันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าในการรัก <Okay. S 1> ตรงนี้ความรักของแม่ตรงนี้ก็เรียกว่าความเมตตาห้ามลูกของเราเนี่ยออกจากบากสมมติลูกคนอื่นไปเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเราเตือนก็ได้เราก็จะเตือนแต่คงจะไม่เตือนหรอก แต่ถ้าลูกของเราเองไปเสพยาเสพติดเนี่ยเราจะต้องเตือนเราจะต้องดา่าเราจะต้องว่านะเพื่อให้ลูกเราพ้นจากบาปในที่นี้คือยาเสพติดเป็นต้นนะนะอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเร า, เารักลูกของเรามากกว่าเป็นการลําเอียงหรือเปล่ามันคนละประเด็นเนาะจึงจะต้องให้ทําความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนอส่วนกรณีที่ 2, 2> ที่เจ้าของคําถามถามเกี่ยวกับว่ า, าถ้าเราสามารถเห็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ รับรู้แล้วก็เป็นสิ่งสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูมันเฉยเฉแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็ทําไดนะ้ในขณะเดียวกันถ้าเราละความลําเอียงตรงนี้โดยการละที่ราคะโทสะโมหะเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือความลําเอียงตรงนี้มันมีแน่ละ่ะถ้าเราไปยึดถือในสิ่งใดสมมุติว่าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะความคิดของคุณเนี่ยจะไม่ถูกถ้าไ อ, ไอ้สิ่งเหล่านั้นบางทีมันก็ไม่จริงขึ้นมาก็มี เพนแดนที่เราจะไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเห็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดีเห็นฝ่ายนี้ดีนะอันนี้ไม่ควรทําสิ่งที่ควรทําก็คือว่าอะไรที่เป็นศีลเป็นกุศลธรรมเราทําอะไรที่ไม่ด่า ก, กันไม่ว่ากันเราทําอะไรที่ไม่ลักไม่ขโ ม, มยไม่ประพฤติผิดในศีลสิ่งที่เป็นศีลมันทำเราทําสิ่งนั้นนะเราก็จะอยู่ฝ่ายข้างความดีนะเราก็ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีปัญหาใดๆกับใครทั้งสิ้นเลย ในเรื่องตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพราหมณ์ที่มีเล็บยาวอาคิเวสนะพราหมะนะอคิเวสนะเนี่ยเป็นพราหมณ์เล็บยาวที่นามสกุลอคิเวสนะเป็นลุงของพระสาวิตริบุตรเขามาบอกว่าเนี่ยใครพูดอะไรฉันก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละมาพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาทั้งนั้นการที่ท่านพูดสิ่งนี้ออกมาท่านก็ไม่ชอบด้วยสิไม่ชอบสิ่งที่ท่านพูดด้วยสิ ปรากบว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยทำให้พราหมณ์คนนี้เปลี่ยนความเห็นได้นะโดยบทสนทนาตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพอจบบทสนทนาตรงนี้แล้วเนี่ยนะพระสารีบุตรที่กําลังนั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องอคติที่ฝังอยู่ในจิตของเราได้ด้วยบทสนทนาตรงนี้มีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ที่พุญชาบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยอย่างสมมุติเราฟังข่าวอย่างเนี้ย ข่าวน้ําท่วมก็ตามข่าวเขาใส่ร้ายรัฐบาลใส่ร้ายฝ่ายค้านข่าวนั่นข่าวนี่ไม่รู้ข่าวโคมลอยหรือข่าวจริงบ้างไม่รู้ลนะ่ะฟังแล้วมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเอ๊ะแต่ว่าบางข่าวฟังแล้วก็เป็นสุขนะสมมติเขาด่าฝ่ายที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยนะเราฟังแล้วเหมือนมันสะใจ <c oughs> จริงๆนะมันเป็นสุขนะเจ้าค่ะอันนี้คือมีความสุขทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมในจิตของเรานะสุขทุกข์ <c oughs> เกิดขึ้นอันนี้เกิดจากการที่ได้ฟังทางหูนะมีสัมผัสทางหูแล้วเกิดความสุขขึ้นในกาย ใ, ในในจิต นะสุขบ้างทุกบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเกิดความสุขเนี่ยเกิดเฉพาะความสุขเท่านั้นความทุกข์กับเฉยๆเนี่ยจะไม่มีหรือเวลาถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยเกิดความทุกข์เกิดขึ้นในจิตมีมีคนด่าฝ่ายที่เราชอบอย่างเงี้ยก็จะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตเนี่ยไอความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอความสุขเนี่ยก็จะไม่มีมันเกิดทีละอย่างเท่านั้นเองแต่บางทีมันสุขทุกข์มันสลับกันเร็วมากอย่าฟังข่าวน้ําท่วมเป็นทุกข์ดูละครเป็นสุขฟังเขาด่ากันเป็นทุกข์มาฟังเขาชมกันเป็นสุข อันนี้มันสุขทุกข์เนี่ยมันสลับกันไปเร็วบ้างช้าบ้างนะทีนี้ความสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นในจิตนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นมันโดยความเป็นของ verses, ที่เรียกว่าเป็นของเรานะเราก็จะไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเราจะไหลไปตามสิ่งที่เขาพูดเราจะไหลไปตามข่าวเราจะไหลไปตามข่าวลือบ้างโฆษณาบ้างคนนั้นพูดอย่างนี้บ้างเราจะเป็นผู้ที่สะดุ้งตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นอย่างสมมุติข่าวอย่างหนึ่งมา โอ้โหชีมาทันทีเลยข่าวนี้เธอมาว่าใส่ร้ายคนคที่ฉันชอบปรากฏวันต่อมาเขาออกข่าวมาอีกข่าวหนึ่งแก้าการรันพอดีนะแก้ากันพอดีก็สบายใจละ อ, อ้าวแล้วทําไมเราต้องมาทนทุกข์อยู่ตั้ง24ชั่วโมงแล้วถ้าไอข่าวที่มันออกมาแก้มันไม่ออกมาแก้แล้วจะต้องไม่ทนทุกข์เป็นปีเลไอย่างนั้นเหรอใช่ไหมพระเจ้าก็จึงบอกว่าอย่างบุคคลอย่างนี้แหละเป็นบุคคลที่เรียกว่าสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกชื่อว่าตกน้าแล้วก็ไหลไปเลยตกน้าแล้วก็จมไปเลย น้ำพัดมามาก็ไปเลยไปกับน้ําเลยนะแต่มีบุคคลอีกประเภทหนึ่งะนะที่พอเกิดสุขทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีลําดับขั้นในการทําในจิตอย่างนี้ก็คือว่าพอเราเห็นความเอ้ยเมื่อก่อนเราก็ไม่มีไม่ได้มีความสุขนี้นะมันเฉยเฉอยู่เอ๊ะแต่ความสุขนี้ก็เกิดขึ้นเอ๊ะพอเราไปฟังข่าวอีกข่าวหนึ่งหรือไปดูละครดูอย่างอื่นความสุขทุกสุขหรือทุกนี้ก็หายไปเอาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความที่สิ่งนี้เนี่ยสิ่งในจิตของเรานีไม่ได้สิ่งกับภายนอกเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวลือคนนั้นว่ายังไงคนนี้ว่าไงแต่ดูในจิตของเราดูในจิตของเราหลับตาดูในจิตของเราเนี่ยเราสมมติว่าโอ้อันนี้มันไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะเกิดความที่เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงบุคคลที่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยจะสามารถ เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นเบื่อหน่ายในสุขที่เรามีอยู่ในจิตเบื่อดายในทุกข์ที่เรามีอยู่ในจิตโอ๊ยทำไมต้องมีความทุกข์ขนาดนี้นะบางคนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ก็จะมีความคิดอย่างนี้บางคน <Okay. S 1> ที่น้ําท่วมอยู่หรือน้ําจะยังไม่ท่วมอยู่เนี่ยก็ได้ยินข่าวะอะไรต่างๆถ้าเราเห็นความเสื่อมไปความไม่เที่ยงเนี่ยก็จะมีความไม่ชอบสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนะพอเราไม่ชอบเนี่ยเบื่อหน่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่วาเบื่อหน่ายนะ เบื่อในที่นี้จะไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งจะไม่เหมือนกับคนที่กลัดกลุ่มอยู่ในความทุกข์พวกนั้นยังยึดถืออยู่แต่เบื่อแล้วมันจะปล่อยมันจะวางในอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเดินทางไปสนามบินอย่างนี้เป็นต้นนะเราถือสัมภาระสักใบหนึ่งถือมือขวาอีกคนหนึ่งก็เอามาให้เราถือมือซ้ายด้วยถือสองมือไม่พอเอามาแขวนไว้ที่บ่าอีกสข้างแขวนไว้ที่บ่าสอข้างยังมาเอา ใ, เาให้เราอุ้มอีกแบกเข้าไปแบกไม่พอแล้วก็มาแบกไว้ที่บนไหล่ บนไหลแล้วก็ไว้บนหัวจนกระทั่งหนักมากแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยหมดพราะปล่อยหมดวางหมดเนี่ยเรารู้สึกเบาสบายขึ้นมาทันทีนะตรงเนี้คือความเบื่อหน่ายนะจุดที่เราไม่ไหวแล้วฉันต้องวางแล้วปล่อยแล้วนั่นแนหะคือเบื่อหน่ายที่พระเจ้าหมายถึงพอเบื่อหน่ายใครกำหนัดแล้วก็จะเกิดความปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเนี่ยใครจะว่าอะไรยัางไงาเราก็จะสบายใจพระพุทธเจ้ า, าใช้คําว่าวาจาใดๆที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเนี่ย เราก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่แต่เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าใครเขาด่ากันว่ากันอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็ทําใจให้สบายอยู่ได้ทีนี้ถ้าเราจะต้องการเตือนคนอื่นละ่ะเราจะพูดยังไงดีนั่นนี่คือประเด็นที่2ที่ต้องการจะพูดในวันนี้นะคือไอ้รเรื่องคําที่เขาด่ากันว่ากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ย จริงๆแล้วคําว่าด่าคําว่าใช้วาจาทิ่แมแทงกันเนี่ยเป็นเป็นศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ในสมัยปัจจุบันถ้าเรามาแยกแยะให้ดีเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างซึ่งไม่เหมือนกันอยู่อย่างแรกเนี่ยคือกรรมที่เป็นคําเตือนให้ออกจากบาปนะเป็นการเตือนให้ออกจากบาปอย่างพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็ด่าภิกษุนะคําว่าด่าตรงเนี้ยเป็นคําอาตมาแต่พุทธเจ้าใช้คําว่าเตือนให้ออกจากบาปขนาดให้ออกจากบาป หรืออ ย, อย่างที่สองที่มีอยู่ในคำด่าเนี่ยนะคือคาเป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาเพราะฉะนั้นะ HD, ถ้าเราแยกออกมาสองส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นคำเตือนให้ออกจากบาปส่วนที่เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยเราสมมติว่าพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยสอนให้นะไม่ให้ทามิจฉาวาจาเพราะฉะนั้นคำด่าอะไรที่เป็นคำเตือนให้ออกจากบาปอันนี้เป็นสิ่งดีแต่ถ้าด่าแล้วเนี่ยเพื่อหวัง ประโยชน์อย่างอื่นเช่นหวังให้เขาแตกจากฝ่ายนี้นะหวังให้ทิมแท้ให้เขาจิตออกจากสมาธิหวังเพื่อให้คุยเล่นสนุกปกฮาธรรมดาอันนี้เป็นมิจฉาวาจาทั้งหมดไม่ควรทําในะอย่างแม่เตือนลูกเนี่ยให้ออกจากด่าลูกอย่างเงี้ยเธออย่าเสพยาเสพติดนะไม่งั้นฉันจะตีดา่ดาด่าด่าลูกเนี่ยเพื่อให้ห้ามเพื่อให้ออกจากบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้หรื อ, อยังครูบาอาจารย์ด่าลูกศิษย์นะเพื่อที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยกลัวกลัวบาป กลัวบาปจะได้ไม่ต้องทําอีกอันนี้เป็นสิ่งดีๆควรทำํำนะับ เ, เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของมรนนาบิดาที่จะห้ามบุคคล น, นั้นห้ามลูกศิษย์ของเราเองห้ามลูกของเราเองเนี่ยจากบาปจากสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะคือมิจฉาวาจาถ้าคําพูดนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ประกอบไปด้วยคําสอดเสียดคือจะยุยงให้เขาแตกจากกันนะคําพูดที่เล่นพูดเล่นโดยไม่มีหลักฐานอ้างองิงพูด ล, ลอยๆขึ้นมา อันนี้เป็นวาจาเพ้อเจ้อหรือคำพูดแล้วจะทำให้จิตเขากระเทือนหลุดออกจากสมาธิเป็นจิตที่ไม่มีหลักแก่น์านเลยอันนี้ก็ไม่ควรพูดอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะว่าใครด่าใครเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ถูกนะอย่าใอย่าใช้สิ่งที่เป็นมิจฉาวาจานะ จ, ะจะพูดก็พูดเตือนสิ่งที่เห็นบา ป, บาปเห็นอะไรที่เขาทำไม่ดีอยู่เนี่ยเราจะเตือนเขาให้ออกจากบาปเนี่ยสามารถทาได้ทีนี้ าการที่เราจะตือนใครสักคนใดคนหนึ่งให้ออกจากบาปนี่นะมันก็ต้องมีลําดับขั้นตอนอยู่สอย่างคืออย่างสมมุติว่าอาตมาเห็นพระองค์หนึ่งหรือว่าคราวว่าสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยทําสิ่งไม่ดีเนี่ยทําสิ่งไม่ดีแล้วเรารู้สึกขัดเคืองขึ้นในจิตนะเราเฮ้ยทาไมเธอทําอย่างนี้ทําไมคนนี้เขาพูดอย่างนี้ทําไมเขาว่าอย่างนี้ทำไมคนนั้นออกทีวีอย่างนี้โอ้ยมันคันปากแล้ว เ, เราเริ่มรู้สึกคันปากนะอยากจะด่าเขาจะว่าเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรา นะพระพุทจาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเราควรจะทำอย่างนี้ถ้าสมมุติเราพอกบอกเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะหลุดจากความผิดนั้นได้คือเขาจะทำทำตัวใหม่แก้ตัวใหม่เนี่ยให้มองว่าความขัดเกินที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางซะวางเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปบอกเขาว่าเออเธอที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นะเธอควรจะทําอย่างนี้นะให้เธอออกจากความผิดนั้นให้ได้นะนี่คือกรณีที่1น่ง นะสมมุติว่าอาจะมาดูทีวีอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ดูทีวีมานานมากแล้วละ่ะสมมติดูทีวีฟังข่าว <c oughs> มีคนเขาด่ากันสรุปว่าไอคนที่ไปด่าเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์เรานะแล้วเราเห็นว่าเอ้เขากําลังทําไม่ดีเรามีความขัดเคืองขึ้นไอทําไมนี่เป็นลูกศิษย์สอนมาอย่างดีแล้วยังไปด่าคนอื่นอยู่เฮ้เกิดความเกิดเครือของขึ้นใช่ไหมเพราะเกิดของขึ้นแล้ว <c oughs> เร า, เรา <c oughs> ต้องมาคิดว่าเอ้ย ความขัดเคืองในจิตของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยวางซ ะ, ะเดี๋ยวโทรไปบอกไอ้หมอนี่ซะบอกว่าอย่าด่ากันอย่าว่ากันนะแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้นะเดนีเลิกด่าเลิกว่าใช้สัมมาวาจาเนี่ยอัตมาจะทํา น, นี่คือข้อที่1ทีนี้ลําดับที่สองถ้าเผื่อว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วจะเกิดความขัดเคืองขึ้นในจิตของเขาด้วยคือเขาจะเคืองเขาจะโกรธในสิ่งที่เราเตือนเราบอกใช่ไหมเราก็ต้องมองว่าเอา้า ความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางซะความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วบอกซะบอกนี่หวังผลว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ให้บอกซะแล้วก็คิดว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแล้วก็บอกแต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือข้อที่2แต่ข้อที่3มนี่ลึกซึ้งขึ้นมาอีก ในกรณีที่ว่าถ้าบอกแล้วเขาจะขัดเคืองแล้วเขาเขาจะไม่เปลี่ย น, นเราก็ควรจะต้องหาวิธีการบอกอย่างอื่ น, นซึ่งจะทําให้เขาหลุดออกจากความผิดนี้ได้สมมติเขากําลังทําผิดอยู่ในกรณีที่ออกมาดูทีวีเห็นลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยไปด่าคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยออกทีวีเราควรจะต้องอะละความขัดเคืองในจิตของเราแล้วเรารู้ด้วยว่าถ้าเราบอกเข้าไปอย่างนี้นะ เ, เขาจะขัดเคืองเอาเราก็เห็นว่าความขัดเคืองในจิตของเขานี่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมองข้ามไปซะเราให้บอก แต่ถ้าบอกแล้วเขาก็จะยังไม่เปลี่ยนให้หาวิธีอื่นที่จะบอกแต่บางทีไม่ใช่บอกตรงนั้นอาจจะเรียกมาบอกที่อื่นหรือจังหวัดที่เขามาหาเราเราจึงค่อยบอกนะหาวิธีการที่จะบอกเพื่อให้เขาหลุดออกจากความผิดนั้นได้อันนี้อย่างที่สามคนททำแต่ถ้าอย่างที่สี่นะอย่างที่4ลํลำดับขั้นที่สี่เนี่ยก็คือว่าถึงแม้จะบอกไปเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีตัณหาประกอบด้วยทิฏฐนะิพูดไปเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะให้เราทำยังไง ให้เราอยู่อุเบกขาแล้วก็อย่ายไปยุ่งเรื่องนี้คืออย่าไปยุ่งเรื่องนี้ก็คือวางเฉยไปเลย <er <en> ใช่วางเฉยไปเลยแล้วเราก็ไม่ยุ่งเรื่องที่เราเราจะไปแก้ไม่ได้สมมติเราดูทีวีหรือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรืออำนาจที่เราจะทำอะไรได้เนี่ยเรานิ่งซะอย่ายไปสนให้อยู่ด้วย<ส>จิตของเราให้จิตของเราสูงก็พอให้จิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็พอเราจะสบายใจอ ย, อยู่ได้อย่างน้อยอะนะ ก็คือสรุปว่าในกรณีของการเตือนนะคุณต้องมีสี่ลำดับขั้นตอนอย่างนีนะ้การด่าการว่าที่เป็นมิจฉาวาจาอย่าทำถ้าด่าว่าเป็นการเตือนให้เขาออกจากบาปก็สามารถทำได้ด้วยลำดับสี่ขั้นตอนอย่างที่วามานี้เจ้าค่ะทนีนี้ในตอนช่วงท้ายที่คุณโชติกาได้กราบน้ำสการเรียนถามมานะเจ้าคยมมีประเด็นข้องใจนิดนึง ในกรณีที่คุณโชติกาถามนะเจ้าคะคุณชุติกาบอกว่าในกรณีที่เรารู้ว่าเขากำลังคอร์รัปชันหรือว่าทำประโยชน์เข้าตัวเองมากกว่าส่วนรวมอันนี้คือการทำที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะเจ้าคะเราควรจะเอาอคติออกกอนและก็ใช้พรมวิหารสี่สุดท้ายเราก็อุเบกขาทำอะไรไปก็ไม่เกิดผลก็ปล่อยให้เป็นบุญกรรมของส่วนรวมอย่างนี้นี่จะถูกต้องเหรอเจ้าคะถ้าเผื่อทุกคนวางเฉยแบบนี้เนี่ย สิ่งที่เขาทําโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวคือทําร้ายประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอรัปชั่นหรือว่าหาประโยชน์เข้าส่วนตัวพวกพ้องอะไรต่างๆนี่มันมีเกิดขึ้นมากมายในสังคมเหรอเจ้าคะถ้าทุกคนวางวางเฉยแล้วก็เป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยเจ้าคะอาจารย์จุคะเออคือใครทําบาปนี่นะคุณเดินใจมันต้องได้ผลของกรรมแน่นอนฟันธงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําไม่ดีเนี่ยยังไงมันต้องได้รับทีนี้เราจะ ได้รับเนี่ยจะได้รับจากเราหรือได้รับมาจากคนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรยังไงมันต้องได้รับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ได้ไปไม่ดีเขาจะไปไม่ดีแน่นอนถ้าเขาทําไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้เลยว่าเขาจะต้องได้รับความไม่ดีจากการที่เขาทําไม่ดีสบายใจเลยสบายใจจริงๆไอ้ทีมืวกคนที่เขาด่ากันมากกันในสังคมเนี่ยขึ้นเมทีด่าด่ากันด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นจริงขุดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องมาพูดเนี่ยโอ้โหอันตราสบายใจมากเลย เพราะอะไรไอ้ น, นี่มันจะต้องได้รับผลไม่ดีแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาทําไม่ดีเขาต้องได้รับแน่นอนอันนี้คือข้อที่1 น, นะอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องกฎของกรรมก่อนทีนี้ถ้าบอกว่าคนนี้เนะี่ยเขาเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนนี้เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนเราที่เขา เ, เคยมีความสัมพันธ์เรารู้จักเข า, าเอ่ะนี้เราควรจะเตือนเขาให้ทําสิ่งที่ดีนะ ถ้าเราเตือนเขาเนี่ยเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรดีในการที่ห้ามเขาเสียจากบาปห้ามเขาเมื่อประมาทแล้วสมมติคนทําโกงอย่างเงี้ยนะหรือด่าคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีประมาทไปอ่ะบางทีลืมสติไปบางทีมีเพื่อนชั่วชวนเราไปทำอย่างเงี้ยถ้าเราเตือนเขาเนี่ยเราจะเป็นมิตรดีเอ๊ะถ้าเราเตือนได้เนี่ยเราจะเตือนถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราจะบอกเราจะบอกถ้าเราอยู่ในฐานะห้ที่จะชักชวนให้เขามาตั้งอยู่ในความดีเราจะทำแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะทํานะเราจะทํา ทีนี้จะทําหรือไม่เนี่ยก็ต้องพิจารณาสีอย่างอย่างที่บอกนั้นนะ่ะว่าถ้ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาหาวิธีการแก้ไขหรือว่าถ้าเราบอกไม่ได้แล้วจริงๆเรานิ่งเฉยนะคือต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนอย่างนี้ไงไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมแต่อันดับแรกเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องกรรมกับผลของกรรมก่อนว่ายังไงหมอนี้มันต้องได้รับแน่นอนพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจนะอย่างอย่างประสงค์อย่างเนี้ย เห็นพระรูปอื่นอย่างเงี้ยทําไม่ดีอา้าวทำไมท่านนั่งสมาธิอยู่ไปบี้ยุงอ่ะเอ้ยทำอย่างเี้ไม่ถูกนะถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราเตือนเขาได้นะแล้วเขาจะเปลี่ยนออกจากความผิดเนี่ยเราจะเตือนแต่ถ้าเราเตือนเขาแล้วโอยท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วโอ๊ยพูดไปท่านก็ไม่ฟังเราหรอกหรือว่าจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเป็นอธิการในวัดเราจะนิ่งเสียเนาะถ้าอย่างนั้นผู้น้อย <c oughs> จะไปเตือนผู้ใหญ่ได้ยังไงอ่ะ มันก็แล้วแต่นะอย่างกรณีอย่างของหลวงพ่อด็อกเตร์สะอาดอย่างเงี้ยเจ้าวาดบ๊ะป่าอนัยโศกเนี่ยท่านก็ออกตัวไว้ก่อนเลยกับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านบอกว่าอ่ะถ้าผมทําอะไรผิดนะท่านทั้งหลายเห็นก็ช่วยบอกช่วยเตือนด้วยนะอย่างกรณีของอาตมาถ้าเห็นหลวงพ่ อ, อทําอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะขอกาดท่านแล้วก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี้หลวงพ่อเห็นว่ายังไงถูกลุกปิดยังไงเราก็จะบอกกันเตือนกันนะ่ะก็เราจะช่วยให้อ่า ค, คือในธรรมวินัยนี้เนี่ยบุคคลจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะด้วยการที่เตือนกันและกันให้ออกจากความผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเพื่อนเราคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาทําไม่ดีอยู่เนี่ยคุณต้องช่วยเขาเตือนนะโดยที่อย่างอย่างก่อนที่เราจะไปเตือนเขาเราต้องปล่อยวางวความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราก่อนนะทําตามระดับสีขั้นตอนนั้นเจ้าค่ ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเมตตาที่จะอ ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านารวมทั้งคุณโชติกาได้ได้เขียนถามมานะเจ้าคะ่ะมีอะไรเพิ่มเติมตรงประเด็นนี้ไหมเจ้าคะ่ะกลับเจ ก, <ขอ>ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับรายการธรรมรบปรุณในในตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเจ้าค่ะอันนี้ก็โยมก็อยากจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโ น, โนนะเจ้าคะเนื่องจากพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโนอ่าลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัเตรสะอาดิตโตภาโสนี้มีแฟนรายการเยอะมากเลยแล้วก็เขียนชมเชยเข้ามาว่าพระอาจารย์นั้น สามารถพูดคุยได้อย่างาให้ความรู้ลึกซึ้งในพุทธศาสนานะเจ้าคะเอาพระธรรมคำสอนมาชี้แจงให้ชาวบ้านเราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็กระจายคือฟังแล้วก็นอกจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยก็ยังฟังแล้วมีความสบายอกสบายใจคือฟังแล้วเข้าใจลึกซึ้งด้วยนะเจ้าคะก็เลยเาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ กราบนิมนต์นะเจ้าคะที่จะเรียนเชิญพระจันทร์ไผ่บุญอภิปุโนนั้นได้เมตตาที่จะมาจัดรายการต่อจากท่านอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คือท่านจันทร์ที่มาเจลสงวนในช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าพรรษาเนี่ย อ, ออกพรรษาเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พระจันทร์ไผ่บุญอภิปุโนมาพูดคุยชี้แจงแสดงธรรมเรียกว่าเป็นองค์ปาถกนะเจ้าคะประจํารายการธรรมราบรุญ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยอันนี้ก็อยากจะขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูรณ์ได้เมตตาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการทำมาลับรุณทราบนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ได้เตรียมการที่จะสนทนาอะไรบ้างในแต่ละวันเจ้าค่ะที่แตกต่างกันออกไปทราบว่าพระอาจารย์ได้เตรียมการไว้แล้วเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคุณพอนก็ได้คุยกับทางผู้บริหารของสานีก็ได้เชิญชวนให้มาแสดงธรรมในวันอื่นๆด้วยตั้งแต่จันจั์ถึงศุกร์ ก็ได้คุยกันปึกษากันแล้วก็พบว่าวันจันเนี่ยจะเอาเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะคือหมวดธรรมะของพระเจ้าต่างต่างเนี่ยมาอธิบายให้ฟังในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติแล้วเราก็จะใช้งานได้ด้วยอันนี้คือในหัวข้อของวันจันนะส่วนวันอังคารนะก็จะเป็นเอาเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั่วไปมาคุยให้ฟัง่วันพุธเนี่ยก็จะเอาเรื่องที่อรรมาคิดว่าตามใจฉันนะ่ะฉันอยากจะพูดเรื่องอะไรฉันก็จะพูดเรื่องนั้น น, นี่คือส่วนของวนันพุธแล้วก็จะเป็นการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังด้วยก็ตามใจท่านด้วยตามใจฉันด้วยนะส่วนวนันพฤหัสนะวันทุกวันพฤหัสก็จะเป็นธรรมวินัยจากพุทธอโอษฐ์ก็จะเป็นการารวบรวมเรื่องที่สําคัญสำคัญที่เป็นพุทธวจนะมาอ่านให้ฟังนะแล้วส่วนวนันศุกร์ก็จะเอาเรื่องของวันพฤหัสที่อ่านไปเนี่ยมาอธิบายขยายความในวนันศุกร์ก็จะครบ5วานบันพอดีเนาะแล้วส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการกาสังฆฉา ก, ากับคุณเตือนใจ เาเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารารุณแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดธิตพัโชก็สามารถที่จ ะ, ะตามรรบฟังกันได้นะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมีอประเด็นปัญหาข้อข้องใจอยากจะรับทราบได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่ก็ยัง เขียนมาหาพระอาจารย์ได้ตลอดเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ํานิดนึงเจ้าคะ่ะถึงหนทางที่จะติดต่อกับพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็คือไปที่เว็บไซต์ได้ที่ purethamma.com p, com, p u r e d h a m m a .com และก็เป็นช่องทางที่จะติดต่ออาตมาได้หรือว่าเขียนมาทางที่ทางสานีก็ได้ที่สถานีวิทยุกรยเสียงประเทศไทยเนาะถนนพิพารีลังสิตเจ้าค่ะคิดว่าไปสานีเขากยังส่งให้อยู่นะ ถึงแม้ว่าจะมีน้ำบ้างอะไรบ้างเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็โยมเติมตรงนี้นะเจ้าคะก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงนะเจ้าคะกรุงเทพมหานครหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์อันนั้นก็ถ้าเพื่อหลายๆท่านยังชอบวิธีการเดิมก็คือการเขียนจุดหมายซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเจ้าคะว่าเพราะบางคนก็ชอบที่จะเขียนมากกว่าแต่สําหรับบรรดาท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะ มีความทันสมัยนิดนึงแล้วก็จะผ่านเข้ามาทางเว็บไซต์ของพระจัรย์ไตรบุญอภิปุโนก็เขียนเข้ามาได้ที่เพียวธร m m a .com นะคะท่านขออนุญาตย้ำอีกนิดหนึ่งว่า p u r e d h a w m ก็คือ m สองตัวแล้วก็ a แล้วก็ .com นะคะก็คือ .com อันนี้ก็เขียนถามมาได้ตลอดเวลาซึ่งพระจัรย์ไตรบุญอภิปุโนท่านก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะ ได้ตอบคำถามอะไรต่างๆนะคะและสำหรับช่วงเวลาของการสักการะเสาอาทิตย์นั้นก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังอยากให้เดินหยิบยกเรื่องอะไรมาสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์ให้เราเกิดเรียกว่าเกิดปัญญาเปิดเกิดความรู้แล้วก็เข้าซึ้งถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์กันแบบชาวบ้านเราง่ายๆก็ได้โปรดเขียนเข้ามาทั้งทา ง, ทา ง, ทางจดหมายแล้วก็ทาง เว็บไซต์ของพระอาจารย์ไพบูลนะนะคะก็คิดว่าเราคงจะติดต่อกันได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่สิบามพฤศจิกายนนี้ก็หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะดิฉันจะได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงของรายการธรรมาราบรุนที่เป็นการสนทนาธรรมะซักถามกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนก็ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ตั้งแต่เช้า ว, วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ วันที่14บสีวันจันทร์ที่14เป็นต้นไปก็คงจะได้รับฟังธรรมดีๆจากพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโนตามที่ท่านได้เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านได้หมุนมารับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับอรณุณทุกๆเชา้าตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดหครึ่งเหมือนเคยคะ่ะสําหรับวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบ ขอบคุณแล้วก็กราบน้ำมัสการาพระอาจารย์ไทูบุญอภิปุนโน พ, พร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำมัสการและกราบขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพ่านสาธุเจ้าค่ะ